ข้อความน่ารู้จากพระตรปิฎกห5 6ของแก้กันอย่างละสามดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมะสามอย่างเหล่านี้คือราคะความกำหนัดยินดีโทสะความคิดประทุษร้ายโมหะความหลงนี่แหละคือธรรมะสามอย่างดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมะสามอย่างที่ควรเจริญเพื่อละธรรมะสามอย่างเหล่านี้คืออสุภะความกำหนดหมายถึงสิ่งที่ไม่งามควรเจริญเพื่อละราคะเมตตาคือไมตรีจิตคิดจะให้ผู้อื่นเป็นสุขควรเจริญเพื่อละโทสะปัญญาความรอบรู้ตามความเป็นจริงควรเจริญเพื่อละโมหะนี้แหละธรรมะสามอย่าง ที่ควรเจริญเพื่อละธรรมะสามอย่างหมายเหตุพระพุทธภาษิตแห่งเดียวกันนี้แสดงถึงธรรมะสามอย่างที่ควรเจริญเพื่อละธรรมะสามอย่างอีกเก้าชุดคือหนึ่งควรเจริญกายสุจริตเพื่อละกายทุจริตควรเจริญวจีสุจริตเพื่อละวจีทุจริตควรเจริญมโนสุจริต เพื่อละมโนทุจริต 2. ควรเจริญเนคขมวิตกคือความตรึกในการออกจากกามเพื่อละกามวิตกคือความตรึกในกามควรเจริญอภิยาปาทวิตกคือความตรึกในการไม่ปองร้ายผู้อื่นเพื่อละภยาปาทวิตกความตรึกในการปองร้ายผู้อื่นควรเจริญอวิหิงสาวิตก ความตรึกในการไม่เบียดเบียนผู้อื่นเพื่อละวิหิงสาวิตกคือความตรึกในการเบียดเบียนผู้อื่น 3. ควรจเจริญในคข ม, มะสัญญาความกำหนดหมายในการออกจากกามเพื่อละกา ม, มสัญญาคือความกำหนดหมายในการมควรจเจริญอัพยาปาทะสัญญาคือความกำหนดหมายในการไม่ปองร้าย เ<ป> <ğı> พื่อละพยาปาทสัญญาความกำหนดหมายในการปองร้ายควรจเจริญอวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายในการไม่เบียดเบียนเพื่อละวิหิงสาสัญญาความกำหนดหมายในการเบียดเบียน 4. ควรจเจริญเนฆขรรมธาตุธาตุคือการออกจากกามเพื่อละกามาธาตุหมายถึงธาตุคือกาม ควรเจริญอภพยาปาท่าธาตุธาตุคือการไม่คิดปองร้ายเพื่อละพยาปาทะาธาตุหมายถึงธาตุคือการคิดปองร้ายควรเจริญอวิหิงสาธาตุธาตุคือการไม่เบียดเบียนเพื่อละวิหิงสาธาตุหมายถึงธาตุคือการเบียดเบียนธาตุในที่นี้สะกดด้วยทอทงนะครับห้า ควรเจริญอนิจจสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่เที่ยงเพื่อละอัสสา ท, ทิฏฐิความเห็นด้วยความพอใจควรเจริญอนตัตตสัญญาความกำหนดหมายว่าไม่ใช่ตัวตนเพื่อละอัตานุทิฏฐิความตามเห็นว่าตัวตนควรเจริญสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเพื่อละมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดหก ควรจะิญมุทิตาความปลอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีเพื่อละอระติความไม่ยินดีหรือความคิดริษยาควรเจริญอวิหิงสาความไม่เบียดเบียนเพื่อละวิหิงสาความเบียดเบียนควรเจริญธรมมจริยาการประพฤติ ธ, ธรรมเพื่อละอธรรมจริยาการประพฤติไม่เป็นธรรมเจ็ 7. ควรเจริญสันตุทิตตาความสันโดษคือยินดีเฉพาะของของตนเพื่อละอสันตุทิตตาความไม่สันโดษคือไม่ยินดีเฉพาะของของตนควรเจริญสัมปะชัญญะความรู้ตัวเพื่อละอสัมปะชัญญะความไม่รู้ตัวควรเจริญอปิจชตาความปรารถนาน้อยเพื่อละมหิชะตาความปรารถนามาก 8. ควรเจริญโสวาจัดสตาความเป็นผู้ว่าง่ายเพื่อละโทวะจัดสตาความเป็นผู้ว่ายากควรเจริญกัญญ า, ามิตรตาความเป็นผู้คบเพื่อนดีงามเพื่อละป่าปมิตรตาความเป็นผู้คบเพื่อนชั่วควรเจริญอาณาปณสติคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออก เพื่อละเจสโตวิเคปะความฟุ้งซ่านแห่งจิตเก้าควรเจริญสมถะการทำใจให้ตั้งมั่นเพื่อละอุทธจะความคิดฟุ้งซ่านควรเจริญสังวระความสํารวมระวังเพื่อละอสังวระความไม่สํารวมระวังควรเจริญอัปปมาทะความไม่ประมาท เพื่อละปะมาทะความประมาทข้อความจากจัดการนิบาตอังคุตระนิกายหนึ่งร้อห้าสิบเจ็ดสุราเป็นเหตุให้ละเมิดศีลข้ออื่นๆดูก่อนภิกษุทั้งหลายถูกแล้วแม้เราก็ไม่เคยเห็นไม่เคยได้ยินข้อที่ว่า บุรุษละเว้นเหตุเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรัยแล้วถูกพระราชาจับฆ่าหรือจองจำในประเทศหรือลงโทษอย่างอื่นตามควรแก่เหตุเพราะเหตุที่มีเจตนาเว้นจากที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยโดยที่แท้กรรมชั่วของบุรุษนั้นต่างหากที่ประกาศว่า อุรุี้ประกอบหนึ่งเนืองซึ่งที่ตั้งแห่งความประมาทคือการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยจึงฆ่าญิงบ้างชายบ้างจึงถือเอาสิ่งที่เขาไม่ให้จากบ้านบ้างจากป่าบ้างด้วยอาการแห่งขโมยจึงก้าวล่วงในภริยาของผู้อื่นในบุตรีของผู้อื่นจึงหักรานประโยชน์ของเขาเรืหบดีบ้างบุตรของเขารหาบดีบ้าง ด้วยการพูดปฏเขาย่อมถูกพระราชาจับฆ้าหรือจองจำในระเทศหรือลงโทษอย่างอื่นตามสมควรแก่เหตุเพราะเหตุที่ตั้งเห็น่ความประมาทคือการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยท่านทั้งหลายเคยได้เห็นได้ฟังอย่างนี้บ้างหรือเปล่าภิกษุทั้งหลายจึงตอบว่าข้าพระองค์ทั้งหลาย เคยได้เห็นเคยได้ฟังและจากได้ฟังพระเจ้าค่าข้อความจากปัญจา ก, การนิบาตอังคุตระนิกาย158เวทนาสองถึง108ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจะกแสดงธรรมะปริยายที่เรียกว่าปริยาย108แก่ท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงฟังธรรมปริยายที่เรียกว่าปริยายหนึเป็นชไหนดูก่อนภิกษุทั้งหลายแม้เวทนาสองเราก็กล่าไวไว้โดยปริยายแม้เวทนาสเราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนาหเราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนาหเราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนา18 เราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนา36เราก็กล่าวไว้โดยปริยายแม้เวทนาหนึ่งรเราก็กล่าวไว้โดยปริยายดูก่อนภิกษุทั้งหลายเวทนาสองเป็นชไหนเวทนาสองคือเวทนาทางกายและเวทนาทางจิตนี้เรียกว่าเวทนาสองเวทนาสาม คือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่ทุกข์ไ ม, สม่สุขเวทนาหคือสุขขินสีหมายถึงธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตน <OSSTALK> คือความสุขกายทุกข์ินสีหมายถึงธรรมะ ท, ที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความทุกข์กายสสงมณสินสีธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความสุขใจ โทมั ส, สินีธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความทุกข์ใจอุเ ป, ปกขินีธรรมะที่เป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนคือความรู้สึกเฉยเฉยเวทนาหกคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่เกิดจากสัมผัส ท, ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจ เวทนา18คือโสมนัสสุปวิจารหกหมายถึงอาการที่จิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์หกด้วยความสุขใจโทมนัสสุปวิจารหอาการที่จิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์หด้วยความทุกข์ใจอุเปกูปวิจารหอาการที่จิตท่องเที่ยวไปในอารมณ์หด้วยความรู้สึกเฉยเฉยเวทนา36บคือโสมนัส ความสุขใจที่อาศัยเคหะสิตาหรือบ้านเรือนหกอย่างโสมนัสที่อาศัยการออกจากกามเนคขมัสสิตะหกอย่างโทมนัสความทุกข์ใจที่อาศัยบ้านเรือนหกอย่างโทมนัสที่อาศัยการออกจากกามหกอย่างอุเบกขาหรือความรู้สึกเฉยเฉยในอารมณ์ที่อาศัยบ้านเรือนหกอย่าง อุเบกขาที่อาศัยการออกจากกามหกอย่างเวทนา108คือเวทนา36ที่เป็นอดีตล่วงแล้วเวทนา36ที่เป็นอนาคตยังไม่มาถึงเวทนา36ที่เป็นปัจจุบันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าข้อความจากสังยุตตนิกายสลายตนะวัค หมายเหตุคำว่าปริยายแปลว่าไปโดยรอบถือเอาความว่าในหรือเรื่องราวคำว่าธรรมปริยายคือไวยะของธรรมกล่าวไว้โดยปริยายคือกล่าวไว้โดยในหรือโดยประการหนึ่งและสำหรับอารมณ์หกคือรูปเสียงกลิ่นรสโหตถะคือสิ่งที่ถูกต้องได้ด้วยกายและธรรมอารมณ์คือสิ่งที่รู้ได้ด้วยใจ ห5 9้าเก้าเหน่าในคืออะไรดูก่อนกิมมิละความเป็นผู้เน่าในเป็นไฉนดูก่อนกิมมิละภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ต้องอาบัตที่เศร้าหมองหรืออาบัตยาบอาบัตหนักประเภทสังฆาทิเศษข้อใดข้อหนึ่งไม่ออกจากอาบัตนั้นตามควรแก่รูปนี้เรียกว่า ความเป็นผู้เน่าใน